แล้วมีคนทุกมาปรึกษาหาเรื่อกับตา ม, มาก็มักจะแนะนําเขาว่าประการแรกเนี่ยให้ยอมรับความจริงหมายความว่ามันคือความจริงที่เกิดขึ้นแล้วในความทุกเนี่ยบ่นโวยวาตีโพยตีายก็ไม่มีประโยชน์อาการบ่นติโพยตีพายนี่คือการที่ไม่ยอมรับไม่ยอมรับว่ามัน เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราแล้วมันเป็นอาการของการผลักไสนะบางคนก็หนักกว่านะั้นคือกดข่มนี่อยอมรับความจริงแล้วเนี่ยประการต่อมาคือว่าให้ลองมองแง่บวกดูหรือมองบวกนะเวลาแนะนำไปอย่างนี้เนี่ยบางคนก็อาจจะบอกว่า มันเป็นการหลอกตัวเองหรือเปล่านะหรือว่าคนที่สนใจธรรมะ ก, ก็จะบอกว่านี่เป็นการปรุงแต่งหรือเปล่านะที่จริงไม่ใช่เลยนะมันคือการมองตามความเป็นจริงนะและการมองตามความเป็นจริงก็หมายความว่ามันมีทั้งบวกและลบนะความจริงทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันมีทั้งบวกและลบเสมอนะ อยู่ที่ว่าเราจะมองอย่างไรไอ้ความทุกเนี่ยมันก็มีผลที่เป็นลบแต่ถ้ามองให้ดีมันก็มีบวกได้เหมือนกันมีบางคนสงสัยว่าเอออันนี้พระเจ้าได้สอนบ้างไหมเกี่ยวกับเรื่องนี้คนที่สนใจธรรมะนี่เขาจะมองเหมือนกับว่า อะไรอะไรก็เป็นทุก์ไปหมดนะแล้วก็เขา้าใจพระพุทธเจ้าสอนแต่เรื่องการมองนะเห็นความทุกข์แต่ที่จริงพระเจ้าก็สอนให้รู้จักมองบวกเหมือนกันหมายความว่าอยังไงมองบวกก็หมายความว่าในสิ่งที่ไม่ดีในสิ่งที่เป็นลบเนี่ยมันก็มีข้อดีของมันนะอย่างเช่นพระเจ้าเคยตรัสว่า เวลาไปบินทบาตถถ้าไม่ได้อาหารอะไรมาเลยหรือได้มาน้อยเนี่ยนะมันก็ดีเหมือนกันนะก็คือว่าร่างกายโปร่งเบานะก็เหมาะการทำความเพียร น, นะไม่ใช่ว่าบินทบาตไม่ได้อาหารมานะมันแย่ไปหมดนะมันก็ดีเวลาเจ็บป่วยนะก็ดีตรงที่ว่า มันไม่ป่วยหนักกว่า น, นี้แต่ขณะเดียวกันอาการป่วยหนักก็อาจจะกลับก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นต้องรีบทําความเพียร น, นะไม่ใช่เป็นข้ออ้างว่าป่วยแล้วก็เลยไม่ทําความเพียรนะต้องมองว่ามันดีนะที่เราไม่ป่วยหนักกว่า น, นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยรีบทําความเพียรซะเพราะว่ามันอาจจะป่วยหนักเมื่อไรก็ได้เนี่ยคือการมองบวกนะ เราลองมองดูนะทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะที่มันเป็นความทุกข์มันก็มีข้อดีของมันนะเงินหายของหายก็เป็นการสอนใจให้ไม่ประมาทให้รู้จักระมัดระวังหรือว่าเป็นการฝึกให้เรารู้จักปล่อยวางเป็นการฝึกให้เราเนี่ยนะ เรารู้วิธีที่จะออกจากทุกข์เพื่อว่าเราจะได้มีความสามารถในการเผชิญความทุกที่หนักกว่านี้ในวันข้างหน้าอย่างที่พูดไว้เมื่อวานนี้นะไอความทุกข์ที่หนักกว่านี้รอเราอยู่ข้างหน้าโดยเพราะความตายเนี่ซึ่งเป็นสุดจอดของความทุกข์ของมนุษย์ปุตุชนนะปัญหาที่เกิดขึ้นกับเรา แต่และ ว, วันแต่และ ว, วันไม่ว่าเกิดขึ้นกับทรัพย์สินเงินทองเกิดขึ้นกับคนที่เราลักเกิดขึ้นกับงานการหรือว่าเกิดขึ้นกับร่างกายของเรามารันล้วแต่เป็นสิ่งที่ฝึกให้เรานะมีปัญญาและความสามารถในการที่จะเผชิญทุกที่หนักหนากว่านั้นในวันข้างหน้านี่คือมองบวกนะอะไรที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมีข้อดี ตกงานก็ดีนะทําให้เรามีเวลาว่างที่จะกลับไปดูแลพ่อแม่พ่อเวลาทํางานไม่ค่อยมีเวลาดูแลพ่อแม่เลยท่านอยู่ต่างจังหวัดท่านอยากจะให้ไปเที่ยวอยากให้ไปเยี่ยมท่านก็ไม่มีเวลาเราก็อ้างว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาตอนนี้มีเวลาแล้วนะเพราะตกงานน พูดถความเจ็บป่วยเนี่ยนะหลายคนก็แม้กระทั่งเด็กๆนะเด็กอายุสิบสองเนี่ยคนหนึ่งป่วยปเป็นมะเร็งแกบอกว่าตอนที่ป่วยนี่มันก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าทําให้พ่อแม่มาดูแลตอนที่ไม่ป่วยพ่อแม่ก็ไม่ค่อยมาดูแลเพราะต่างคนต่างก็อมีวิธีของตัวพ่อแม่ก็ไปทํางานแต่เช้าลูกก็ไปโรงเรียนเถินหางแต่พอป่วยแล้วพ่อแม่ก็นะลา ง, งานนะบางคนก็ ทิ้งงานไปเลยหรือว่าลาออกจากงานเพื่อมาดูแลก็ทำให้เกิดความใกล้ชิดเด็กก็เลยบอกว่าเนี่ยตอนที่เจ็บป่วยนี่เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากเพราะว่าได้ใกล้ชิด ก, กับพ่อแม่ที่ต้องอาศัยการมองบวกนะเพราะถ้ามองไม่เป็นก็จะบ่นตีโพยตีพายว่าทำไมฉันโชคร้ายแบบนี้นะมองเห็นแต่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นแต่ไม่ได้มองว่ามันมีข้อดีอย่างไร รถติดก็มีข้อดีนะถ้ามองบวกก็ไม่เห็นหรอกก็จะงุดหงิดลำคาญใจพ่อเคยถามลูกนะพ่อคนนี้ก็พยายามสอนลูกให้รู้จักมองบวกในทุกสถานการณ์พอรถติดก็ถามลูกว่ารถติดมีประโยชน์ยังไงลูกนะก็นั่งคิดสักพักแล้วก็บอกว่าก็มีประโยชน์ตรงที่ทำให้พ่อมาคุยกับลูกไงเพราะถ้ารถไม่ติด ไฟเขียวตลอดพ่อก็มองแต่ข้างหน้านะไม่มีเวลาหรือไม่สนใจจะมาสนทนากับลูกนะถ้าบางคนมองแต่ลบนะมันจะมองนึกไม่ออกเลยนะว่ามันลดติดมีประโยชน์อย่างไงหรือว่าความเจ็บป่วยมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะแต่นี้ไม่ใช่เป็นการหลอกตัวเองนะไม่ใช่เป็นเรื่องการปรุงแต่งแต่มันเป็นการมองเห็นอีกแง่หนึ่งของความทุกข์หรือปัญหา ซึ่งก็เป็นความจริงนะเพียงแต่ถ้ามองไม่เห็นก็ไม่แปลว่ามันไม่มีนะและที่มองไม่เห็นก็เพราะว่ามองแต่ลบมองแต่ลบตลอดเวลาคือมองชั้นเดียวพูดง่ายมองบววนี่มันเป็นการมองสองชั้นนะแต่ต่วาปมันก็ไม่ถึงกับมองสองชั้นนะเพราะว่าเพียงแต่มองคนละมุมเท่านั้นเองนะแล้วมองบัวเนี่ยนะ ลองดูให้ดีนะแม้กระทั่งว่าเวลามองไม่เห็นประโยชน์ของมันเลยเนี่ยมันก็ยังมีข้อดีนะดีที่ไม่แย่ไปกว่า น, นี้อันนี้ก็มีเรื่องในพระสูตรนะสมัยพุทธกาลเนี่ยพระบุญณนะซึ่งเป็นพ่อคาล้มาบวชตอนหลังบวชแล้วก็ได้ปฏิบัติระยะหนึ่งก็อยากจะกลับไปเมืองสุนปรันตะซึ่งเป็นเมืองของตน แต่เมืองนี้เป็นเป็นประกอบด้วยคนที่ไม่ค่อยไม่สนใจพุทธศาสนาเลยพระปุณณ จ, จัตูลาไปเมืองสุนัาปันตากุจจากเตือนว่าคนสุนัาปันตานี่ดุร้ายนะถ้าเขาด่าว่าท่านท่านจะคิดอย่างไรพระพุทเจ้าก็พระปุณณะก็ตอบว่าเขาด่าก็ดีกว่าเขาถูกตีนะเขาด่าก็ดีที่เขาไม่ถูกตีนะ อาแล้วถ้าเขาทุบตีท่านจะว่าอย่างไรพระุณณะก็ตอบว่าเขาทุบตีก็ดีที่เขาไม่เอาก้อนหินมาคว้างอาแล้วถ้าเ้อก้อนหินมาคว้างท่านจะคิดอย่างไรเขาก้อนหินมาคว้างก็ดีที่เขาไม <sm NS> ่เอาไม้มาฟาดแล้วถ้าเขาไม้มาฟาดเนี่ยท่านจะคิดอย่างไรเขาไม้มาฟาดก็ดีที่เขาไม่เอาของแหลมมาแทงแล้วถ้าของแหลมมาแทงล่ะท่านจะคิดอย่างไร พระพุณธก็ตอบเขาของแลมาแทงก็ดีที่เขาไม่ฆ่าให้ตายอ่าแล้วถ้าเขาฆ่าท่านให้ตายท่านจะว่าอย่างไรอันนี้เป็นคำถามสุดท้ายพระพุณาก็ตอบว่าคนบางคนอยากจะตายก็ต้องไปหามีดหาสัตรามาหรือแม่ก็ต้องไปจ้างคนมาฆ่าแต่ถ้าเป็นอย่างที่พระพเจ้าว่าก็ดีเหมือนกันนะคือไม่เหนื่อยนะไม่ต้องไปขนขวายมีคนมาทาให้คือท่านปุณานท่มองว่าอะไรเกิดขึ้นกับท่านนะดีทั้งนั้น นะตั้งแต่ดาวว่าไปจนถึงการฆ่าให้ตายนะดีที่มันไม่แยกไปก่อนนี้นี่คือการมองบวกนะไม่ใช่เป็นเรื่องการปรุงแต่งไม่ใช่เป็นเรื่องการหลอกตัวเองแต่เป็นการมองนะอย่างฉลาดเพื่อให้เห็นว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันดีทั้งนั้นนะเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเออจะบ่นไปทาไมนะการบ่นนี่ก็เป็นการทำร้ายจิตใจตัวเอง เขาทำร้ายร่างกายเราแล้วถ้าเราโกรธก็ดีถ้าเราบ่นก็ดีก็คือเรากาลังทาร้ายตัวเองคนอื่นเขาทำร้ายได้แต่ร่างกายแต่เขาทำร้ายจิตใจไม่ได้เขาบังคับให้เราบ่นไม่ได้เขาบังคับให้เราโกรธไม่ได้เขาบังคับให้เราพยาบาทไม่ได้ก็มีแต่ใจเราเองนั่นแหละที่จะทำสิ่งนั้นและทาแล้วใครทุกข์นะก็เราทุกข์นะเพราะมองบวกปุ๊บเนี่ยมัน ใจ่ไม่ทุกข์แล้วก็เหลือแต่ทุกข์ที่เกิดกับร่างกายเอามาใช้กับทรัพย์สินก็ได้นะเงินหายเงินหายหมื่นหนึ่งก็ดีนะที่ไม่หายแสนนะหรือว่าหายแสนนก็ดีที่ไม่เจ็บไม่ป่วยหรือว่ารถไม่ได้หายไปด้วยนั้นทมองแบบนี้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราดีทั้งนั้นอย่างน้อยก็ดีที่ไม่แย่ไปกว่า น, นี้ อย่างที่มีเด็กคนหนึ่งเป็นมะเร็งที่สมองนะจิตอาสาไปเยี่ยมเห็นผมลูเห็นผมร่วงหมดเลยแต่เด็กนี้หน้าตาแจ่มใสพูดคุยโอภาปาศรีดีคุยไปคุยมาเธอก็บอกว่าหนูโชคดีที่ไม่ได้เป็นมะเร็งมดลูกนะมีญาติคนนึ่งเป็นมะเร็งมดลูกปวดมากเลยหนูโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมองนะนะ อันนี้คือการหลอกตัวเองหรือเปล่านะไม่ได้หลอกตัวเองเลยนะแต่เป็นการมองให้เห็นว่าเออเรายังดีนะที่เราไม่ได้เป็นโลกที่ร้ายไปกว่า น, นี้นะอันนี้เป็นการมองที่คุณเจ้าที่พระพระพรมคุณาพลเรียกว่าโยนิโสมณสิกการนะโยนิโสมณสิกการเนี่ยก็คือการมองแบบมีปัญญาถ้ามีปัญญาเรียกว่าอโยนิโสมณสิกการ โยนิสโสมนสิการนี้ก็มีมองได้หลายแนะายง่หลายแนวมองแบบอริยสัจสีก็ได้นะทุกสมุทัยนิโรจน์มากหรือมองแบบเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างเหตุกับผลมองบัวนี้เขาเรียกว่าเป็นการมองแบบโยนิสโสมนัสสิการีที่เรากุศลธรรมเรากุศลธรรมนะคือการมองว่าไอ้ปัญหาหรือความทุดผุเกิดขึ้นเนี่ยมันมีข้อดีอะไรบ้าง นะมองบวกอีกแบบหนึ่งนะก็คือการไม่จดจ้องอยู่กับสิ่งที่เป็นลบหรือข้อเสียนะคนบางคนเนี่ยนะมองเห็นแต่ข้อเสียมองสิ่งที่เป็นลบแต่ผุ้เจ้าบอกว่าเนี่ยนะต้องรู้จักมองด้านที่เป็นบวกมั่ง ในแง่หนึ่งผู้เจ้าก็สอนนะว่าทุกอย่างนี้มันเป็นทุกข์ทั้งนั้นไม่มีอะไรที่ไม่มีทุกไม่ใช่ทุกข์เลยนะทุกอย่างเป็นทุกข์ทั้งนั้นสิ่งที่ผู้เจ้าสอนก็คื อ, ค อ, คอทุกข์แล้วก็ทางพ้นทุกข์นะแต่ในแง่หนึ่งนะในระดับในระดับจริยธรรมนะในระดับการใช้ชีวิตอย่างปุถุชนเนี่ยผู้เจ้าก็สอนให้รู้จักมองบวกนะคนที่ คนบางคนเนี่ยอ่านธรรมะมาเยอะก็คิดว่าพระเจ้านี่สอนให้มองแต่ลบนะจริงไม่ใช่เลยพระเจ้าสอนให้มองบวกด้วยอันนี้ก็สอดคล้องกับคําสอนภาษาริบุตรนะภาษาริบุตรท่านเคยสอนว่าเวลาเจอคนบางคนเนี่ยแล้วเราโกรธเขาเรามีความอาฆาตเขาเนี่ยนะให้ลองมองแบบนี้ดูนะว่าแม้เขาจะมีความประพฤติทางกายไม่ไม่ดีไม่เรียบร้อย แต่หากว่าเขามีความประพฤติทางวาจาที่เรียบร้อยหมดจดก็อย่าไปจดจ่ออยู่แต่ความประพฤติทางกายที่ไม่เรียบร้อยนั้นให้มีมรสิกการหรือจดจ่ออยู่กับการประพฤติทางวาจาที่หมดจดเรียบร้อยนะมันจะช่วยทําให้ลดความโกรธความพยาบานแล้วท่านก็เปรียบเทืยบมันก็ว่าเห็นจีวอันข้ามข้าเนี่ยอยู่บนถนนเนี่ยมันก็มีทั้งส่วนที่ใช้ไม่ได้และส่วนที่ใช้ได้ ก็ให้เหยียบจีวรหรือผ้านะะันสะแล้วก็ฉีกเอาเฉพาะส่วนที่ดีมาเอามาทำใหม่เอามาทำเป็นจีวรสมัยก่อนนี่เนี่ยคือวิธีการหาผ้ามาทำจีวรของพระนะเก็บตามท้องถนนบ้างตามป่าชา้าบ้างนะสมัยก่อนนี่ไม่ได้มีจีวรเป็นผืนแบบที่เราคุ้นเคยในปัจจุบัน สมักเราก็ต้องเก็บมาที ล, ทละเล็กทีละน้อยเนี่ยนะวิธีการเก็บจีวรจากท้องถนนนะก็เปรียบได้กับการมองคนนะมองคนก็ให้มองแต่ด้านดีของเขานะไอ้ถ้าเขามีความประพฤติทางกายวาจาทางกายไม่เรียบร้อยก็อย่าไปสนใจสนใจแต่ความประพฤติทางวาจาที่เรียบร้อยอันนี้คนบางคนเนี่ยมีความประพฤติทางทางกายนะ ดีนะแต่ความประพฤติทางวาจาไม่เรียบร้อยเช่นพูดจาไม่สุภาพหยาบคายหรือชอบนินทาภาษาบลวงก็แนะนําว่าก็ฮะอย่าไปสนใจความประพฤติทางวาจาที่ไม่ดีของเขาให้สนใจความพฤติทางกายที่ดีที่เรียบร้อยขอยงเขานะแล้วความอาฆาตพยาบาปความกลัวก็จะหายไปบางคนไม่ถึงกับอาฆาตพยาบาปแต่ว่าหงุดหงิดนะระอานะเพราะอะไรเพราะไปมองแต่ไอ ส่วนที่ไม่ดีของเขาไอ้ส่วนที่ดีไม่มองอันนี้ภรษสารบก็แนะนาว่าก็ให้มองส่วนที่ดีเขาซะเปรียบเมื่อคนที่เดินทางไกลกระหายน้ำพอมาเจอสระสระนี่มีจอกแนะปกคลุมหมดเลยทำยังไงอ่ะจะได้จะมีน้ำกินก็ต้องรู้จักแหวกนะแหวกจอกแนะออกมาแล้วก็ตักน้ำในสระนั่ละกินดื่มกินได้ คนบางคนเนี่ยไม่มีความความประพืิทางกายก็ไม่เรียบร้อยความพืชทางวาจาก็ไม่เรียบร้อยนะแต่ว่าเขามีจิตใจที่ผ่องใสบางขณะก็ให้จดจ่อใส่ใจกับตรงนั้นแหละนะอันนี้คือการมองบวกนะคือมองด้านที่ดีของเขานะนะจจ ա วกอนนะภาษาริบุกศ น, นะอันนี้ก็เป็นการเป็นมุมมองของ ของชาวพุทธแบบหนึ่งเหมือนกันนะไม่ใช่มองกับคนอื่นอย่างเดียวนะเอามาใช้กับตัวเองก็ได้เอามาใช้กับการทำงานของตัวเองก็ได้อาจารย์พรมวังโสเคยเล่าสมัยที่ไปสร้างวัดที่ออสเตรเลียท่านเป็นชาวอังกฤษนะแล้วก็มาเบิกหลวงพ่อชา้าต่อหลังก็ไปเผยแผ่าศาสนาที่ออสเตรเลียต้องสร้างวัดนะจากศูนย์เลยนะนะ ท่านได้รับมอบหมายให้สร้างกำแพงท่านเป็นคนที่เรียบร้อยก็พยายามที่จะก่อกำแพงทีละก้อนทีละก้อนด้วยความใส่ใจใช้เวลา น, านานเป็นเดือนบอกว่าพอสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเกือบจะเสร็จแล้วเนี่ยก็เพิ่งสังเกตว่ามันมีสองก้อนที่ไม่ค่อยเรียบร้อยนะไม่ค่อยได้มุมไม่ค่อยได้ฉากกันเท่าไหร่ก็อยากจะรื้อแต่รื้อไม่ได้แล้วเพราะว่าปูนแข็งลว จะทำลายเจ้ า, กกจาวัดก็ไม่ยอมพอเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็เห็นแต่สองก้อนที่มันไม่สวยเดินผ่านไปผ่านมาต้องเห็นแต่สองก้อนเห็นที่ไรก็หงดหงิดทุกทีนะแล้ววันหนึ่งก็มีโยมคนหนึ่งมาเยี่ยมท่านก็พาชมวัดโยมก็เห็นกำแพงก็บอกโอ้กำแพงนี่สวยนะก่องามเลยอาจารย์พรหมบอกว่าสวยที่ไหนล้วไม่เห็นเลย ไอ้สอก้อนเนี่ยมันไม่สวยเลยตาถั่วหรือเปล่าตาคันตุก้าบอกว่าเห็นครับไอ้สองก้อนที่ไม่สวยแต่ว่าไอ้ที่เหลือคือเก้าร้อก้สิบแปดก้อนเนี่ยมันสวยมันงามมองบวกคือมองตรงนี้แหละคือมองเก้าร้อก้สิบแปดก้อนที่ดีนะไม่ใช่มองแต่ไอ้สองก้อนที่ไม่ดีนะหลายคนมีความทุกข์นะกับผู้คน บางสามีบางคนก็ทุกกับภรรยาภรรยาบางคนก็ทุกกับสามีเห็นแต่ด้านไม่ดีของสามนะีหรือเห็นแต่ด้านไม่ดีของภรรยานะหรือว่ามองว่าชีวิตของตัวเองเนี่ยมันมีแต่แย่นะทํางานก็มีแต่ปัญหานะหรือว่าทํางานแล้วไม่ไม่ค่อยอราบรื่นมีอุปรสรรคหรือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ อันนี้ก็ต้องลองถามตัวว่าเป็นพาอเรามองแต่ลบหรือเปล่านะเหมือนกับอาจารย์พรหมที่ท่านท่านก็ทำทามาได้สวยเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์หรือว่าทำมาสวยเกสิบเก้าเปอร์เซนต์นะแต่ว่ามีความทุกว่าไปจดจ่ออยู่กับไอหนึ่งเอร์เซนที่ไม่ดีถ้าจดจ่อแต่หนึ่งเปอร์เซที่ไม่ดีนี่เรงมองลบนะแต่ถ้าม อ, มองบวกคือว่าไม่ได้เห็นแต่สิ่งที่ไม่ดีอย่างเดียวเห็นส่วนที่มันดีด้วยนะ ความทุวงคนส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการมองลบนะไม่ใช่ว่าเป็นเพราะไม่มีโชคไม่มีลาบหรือเป็นเพราะว่าเจอแต่เคราะห์นะอยู่ที่ว่ามองอย่างไรเคยร่ายฟังแล้วนะซิโก้เนี่ยซิโก้ที่เป็นโค้ชนะทีมฟุตบอลชาติไทยซึ่งตอนนี้โด่งดังนะเขาเคยเป็นนักฟุตบอลที่ระดับซเปอร์สตาร์นะเป็นกัปตันทีมชาติ จนตอนหลังไปค้าแข่งในต่างประเทศแล้วก็ตอนหลังไปทำสัญญาเป็นนักฟุตบอลให้กับสโมสร์อังกฤษโอ้เป็นข่าวใหญ่มากนักฟุตบอลไทยจะได้ลงสนามนะในลีกที่มีชื่อมากนะของโลกนะลีกอัลีกอังกฤษนะนะอันดับต้นพรีเมียร์ลีกนะแต่บากว่าไปถึงอังกฤษแล้วเนี่ยไม่เคยได้ลงสนามเลย ไม่เคยได้เล่นเป็นตัวจริงเลยนะเป็นตัวสำรองตลอดนั่งอยู่ข้างสนามเขาก็ทุกข์มากเลยนะทุกข์มากจนนอนไม่หลับนะเครียดมากรู้สึกผิดหวังรู้สึกว่าการแปลงกิจนี่ล้มเหลวแย่นะแต่ผ่านไปไม่นานเนี่ยเขาเมื่อเขากลับมามองเหตุการณ์นั้นอีกครั้งหนึ่งเขาพูว่าเออเขาพูดว่ า, ออ า, วาที่จริงไม่มีอะไรเลยนะเพียงแต่เรามองไม่เห็นเอง มองไม่เห็นอะไรก็บอกว่าเนี่ยไปอังกฤษมีแต่ได้กับได้ได้บ้านได้รถนะได้ภาษาอังกฤษนะได้พัฒนาร่างกายนะได้มุมมองใหม่ๆได้รู้จักคนมากมายได้เดินทางแล้วก็ได้สัมผัสกับลีกฟุตบอลที่มีสีสันที่สุดในโลกโอ้ได้ต้องหลายอย่างนะแต่มองไม่เห็นไอ้ตอนนั้นเนี่ยมันจดจ่ออย่างเดียวเห็นอย่างเดียวคือกูไม่ได้เล่น เป็นตัวจริงเขาบอกมันเสียแค่แปลงกินเนี่ได้ได้แต่ได้นะเสียอย่างเดียวคือไม่ได้ลงเล่นถ้ามองลบเนี่ยตอนนั้นก็มองลบเขาก็เห็นว่าฉันไม่ได้เล่นบอลไม่ได้เล่นเป็นตัวจริงทุกมากเลยแต่พอกลับมาแล้วถึงค่อยเห็นโอ้เราได้ต้องเยอะแยะแต่มองไม่เห็นนะมองไม่เห็นเพราะอะไรก็เพราะมองลบไงแต่ถ้ามองบวกก็จะเพราะโอ้มันได้ได้เยอะแยะเลยนะ อันนี้มันสุขหรือทุกคนเรานี่จริงมันขึ้นอยู่กับมุมมองมากทีเดียวนะถ้ามองแต่ลบก็ทุกนะถ้ามองบวกโอ้มันก็มีความสุขนะว่าเราได้อะไรมามากมายหลายอย่างคนเจ็บป่วยก็เหมือนกันนะเจ็บป่วยเนี่ยจะไม่ทุกกายจะทุกใจด้วยเพราะว่ามองเห็นแต่ไอ้ร่างกายส่วนที่ไม่ดีร่างกายส่วนที่เป็นมะเร็งร่างกายส่วนที่ป่วยมองไม่เห็นส่วนที่ดีเช่นตาเช่นจมูกเช่นหู เช่นมือเช่นหัวใจเช่นขานะตายังมองเห็นหูยังได้ยินปากยังพูดได้กินอาหารก็อร่อยนะมือก็ยังเป็นปกตินะสามารถกอดคนรักได้เท้าก็ยังสามารถพาเราไปเที่ยวไหนได้เป็นอิสระนะแต่ถ้ามองแต่เห็นแต่ไอ้ร่างกายส่วนที่ไม่ดีนะมันก็ทุกสถานเดียวไม่ได้ทุกกายแต่ทุกใจด้วย นี่คือการมองบวกอีกด้านหนึ่งนะมองบวกอีกด้านหนึ่งมองบวกมันมีสองแง่นะแง่นหนึ่งคือว่ามองว่าไอ้สิ่งที่แย่เนี่ยมันมีข้อดีอย่างไรบ้างนะและมองบวกอีกอีกแง่นึงคือการการมองว่าไม่ได้จดจ่อแต่สิ่งที่เป็นลบแต่มองเห็นสิ่งที่เป็นบวกที่มันอยู่รายล้อมนะสิ่งที่เป็นลบนะแล้วการมองแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นการปรุงแต่ง ไม่ใช่มีการหลอกตัวเองแต่เป็นการมองความจริงอย่างรอบด้านนะและเป็นการมองที่เราให้เกิดกุศลธรรมจึงเป็นโยนิโสมัตสิการอย่างหนึ่งนะที่เราควรจะมีนะแล้วก็ปฏิบัติมาใช้ใ น, ในการดำเนินชีวิตนันะถ้าเรามีมุมมองแบบนี้เนี่ยนะไม่ว่าเราเจออะไรนะเราก็จะยิ้มได้นะเพราะเราจะมองเห็นว่าโอ้มันมีข้อดีตรงนี้นะ มันมีส่วนดีตรงนี้นะหรือว่าเราจะไม่ใส่ใจกับมันแต่เรามองเห็นว่ามันมีส่วนอื่นๆที่มันดีนะมันแค่ไม่ดีแค่ 1% นเปอร์เซ็นนะส่วนเก้าสแปดเก้าสิบเก้าเปอร์ซ็นต่อ้มันดีแต่ทีนี้คนเราเนี่ยเวลาพูดว่าเข า, ามองบวกเนี่ยเข้าใจกันไปต่างๆนานาหลายคนก็เข้าใจว่ามองบวกหมยายถึงว่าการไปมองว่า หรือการไปคิดเอาว่าเนี่ยข้างหน้าจะสดใสอ น, นาคตจะชดช่วงชัชวานนั่นก็เป็นความหมายหนึ่งของการมองบวกที่หลายคนเข้าใจแต่มองโบในพุทธศาสนาเนี่ยมันก็มีแค่สองอย่างเท่านี้แหละก็คือการมองว่าไอ้ส่วนที่เป็นทุกข์ส่วนที่แย่ส่วนที่เป็นปัญหาเนี่ยมันมีข้อดีอย่างไรบ้างความสูญเสียความพัดพลาดมีข้อดีอย่างไรบ้างนะ ฝึกใจให้อดทนหรือว่าสอนใจให้เห็นถึงอนิจจังสอนใจใหเห็นถึงความไม่เที่ยงนะความเจ็บป่วยก็สอนใตรักได้นะความทุกข์นี้ก็ถ้าเราเกี่ยวข้องกับมันเป็นคือมองมองให้เป็นก็เห็นสมุทยัยเมื่อเห็นสมุทัยก็จะเห็นไปถึงนิโรธแล้วก็มรรคนะอริ ย, รยสัจสี่เนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการที่มองทุกข์ให้เป็นถ้ามอง ถ้ามองไม่เป็นมันมันก็กลายเป็นทุกข์ไปแล้วเป็นทุกข์นี่มันก็ไปไม่ถึงนิโรธนะแต่มันจะไปนรกแทนนะก็คือกัดกลุ้มใจติยกชกขัวจนกระทั่งปฏิเสธทาธทร้ายตัวเองฆ่าตัวตายนะถ้าเป็นทุกข์นี้ก็ไปนรกนะแต่ถ้ามองทุกข์หรือว่ารู้จักดูทุกข์ให้เป็นมันก็ไปถึงนิโรธได้นะ ทุกมีประโยชน์ตรงนี้นะนะเจอทุกก็สามารถจะพ้นทุกได้ถ้าเรานะเห็นทุกแต่ไม่เป็นผู้ทุกนะนี่คือประโยชน์ของความทุกนะที่เราต้องมองให้ออกมองให้เป็นนะนี่คือการมองบวกนะในแง่หนึ่งนะว่าอะไรปัญหาทั้งหลายปวงมีประโยชน์ทั้งนั้นนะถ้ารู้จกักใช้รู้จกักมองรู้จักเกี่ยวข้องมองบวอีกแง่หนึ่งนะพุทธศาสนาคือการนะไม่จดจ่อแต่สิ่งที่เป็นลบ ้เห็นสิ่งที่เป็นบวกนะที่มันปรากฏอยู่กับเราตลอดเวลาแต่เราเลือกที่จะไม่มองเองนะคนที่เรารังเกียจเพราะว่าเราเห็นแต่ด้านไม่ดีของเขาไอ้ส่วนด้านที่ดีของเขาก็มีแต่เรามองไม่เห็นหรือเราเลือกที่จะไม่มองอันนี้เรียกว่ามองลบแต่ถ้าเรามองเห็นด้านบวกของเขาแล้วก็ใส่ใจแต่ด้านบวกนะใจเราก็จะเป็นสุขเราจะมีความโกรธความหงุดหงิดความอาฆาต น้อยลงหรือไม่มีเลยนะแล้วเราจะรักตัวเราเองมากขึ้นถ้าเรามองว่าเออถึงแม้เราจะไม่มีอย่างโน้นไม่มีอย่างนี้แต่เราก็มีดีๆหลายอย่างคนที่มองแต่ว่าฉันไม่มีโน่นไม่มีนี่เนี่ยนี่ก็คือมองลบเหมือนกันนะทั้งที่ตัวเองมีอะไรต่อแะไรต้องมากมายนะคนเราเนี่ยเลือกแต่มองแต่สิ่งที่ไม่มีหรือว่าสิ่งที่ไม่ดี หลายคนจะสวยหลอ่อแต่แทนที่จะมีความสุขกับทุกข์เพราะว่าเห็นแต่สิวฝ้าเห็นแต่ส่วนที่ไม่ดีในร่างกายตัวเองซึ่งเป็นแค่น้อยนิดให้ส่วนที่ดีส่วนที่มีมองไม่เห็นอันนี้ก็เป็นการมองลบนะเห็นแต่สิ่งที่ไม่มีเห็นแต่สิ่งที่ไม่ดีทั้งที่สิ่งที่มี ก็มากมายสิ่งที่ดีก็เยอะแยะถ้าเราลองมามองตรงนี้บ้างนะเราก็จะขอบคุณนะขอบคุณชีวิตขอบคุณพ่อแม่ขอบคุณทุกเวลานาทีที่ทําให้นะเรามีสิ่งดีๆมากมายคนพิการหลายคนก็มีความสุขนะเพราะเขาไม่เลือกมองไอ้ส่วนที่เสียแต่เขามองเห็นแต่ส่วนที่ดีที่เขามีนะอันนี้เป็นลักษณะเด่นของคนพิการจํานวนมากนะที่เขา สามารถที่จะอยู่ในโลกนี้ได้มีความสุขเพราะเขารู้จักมองบวกทลนั่นเองให้เรามองให้เป็นนะเราก็จะมีความสุขได้แล้วก็สามารถจะพ้นทุกข์ได้ด้วยนะถ้าว่าเรารู้จักมองหลายท่านเนี่ยบรรลุนิพพานได้ก็เพราะว่ารู้จักมองนะจนเห็นไตรลักษณ์นะจากสังขารที่มันกำลังเจ็บป่วยจากสังขารที่กำลังจะตาย จากร่างกายที่กําลังถูกไฟหกไฟหม้เผาผ่าญร่างกายท่านก็บรรลุธรรมได้บางท่านก็บรรลุธรรมขณที่เสือกัดนะมีทุกขเวทนามากท่านก็เห็นไตรลักษณ์เห็นพระธรรมอันนี้จังทุกอนัตตาจากความเจ็บจากสังขารที่กําลังจะตายจากความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอันนี้เรียกว่ามองบวกก็ได้นะคือแม้ว่าเจอทุกปางตายก็ยังเห็นธรรมจากทุกได้ ถ้าเรามองไม่เป็นนะเราก็จะก็จะถ้าเจอเหตุการณ์แบบ น, นี้ก็ไปอบายสถานเดียวเพราะว่ามันปวดมันทรมานมากนะถูกไฟเผาถูกเสือกัดหรือว่าถูกโรคนะเล่นงานแต่พอมีสติเปิดใจเห็นสัจธรรมอุ ป, ปัญญาเกิดจิต ก, ก็หลุดพ้นเลยนะเอละ่ะะชาติพุทเท่านี้กนละับครับ